เด็ดก่อนไม่ได้เจอกันภาวนาหรือเปล่าต้องภาวนานะเจอหลวงพ่อหรือไม่เจอต้องภาวนาดันก่อนหลวงพ่อไม่ได้ขี้เกียจนะหลวงพอคดีต้องไปเผาศพครูบาจารย์องค์หนึ่งท่านเป็นลูกศิษย์หลวงปู่ดูลน่นก่อนหลวงพ่อภาวนาดีแต่ท่านบวชอายุตัง้งหกสิบละบวชเมื่อแก่นคนแก่ก็ภาวนาได้นะอย่าท้อใจ องนี้คือหลงตาผนึกบวชเมื่ออายุหกสิบเท่ากับพระมหากัสปะผอมๆแบบเดียวกันด้วยคนเราถ้าภาวนาอยู่ไปนานจนแกนะ่ยิ่งสดใสยิ่งเบิกบานมากขึ้นมากขึ้นคนไม่ภาวนาปล่อยชีวิตไปวันหนึ่งวันหนึ่งจนแก่แล้วไม่มีอะไรติดเนื้อติดตัวลำบาก อยู่กับความเงียบความเหงาสังคมเดี๋ยวนี้เป็นสังคมที่เขาทอดทิ้งคนแก่และมันความจำเป็นในการทรมาหากินทุกคนออกจากบ้านไปหมดเลยเหลือคนแก่อยู่กับบ้านอะไรเงี้ยถ้าหากมีธรรมะก็ไม่เงียบไม่เหงาถ้าไม่มีธรรมะก็ลำบากทุกวันนี้คนหนุ่มคนสาวหันมาสนใจการปฏิบัติมากที่มาเรียนกับหลวงพ่อเนี่จะเป็นคนรุ่นใหม่ สนใจการปฏิบัติจริงๆแต่ก่อนคนเข้าวัดเข้าหาครูบาอาจารย์ส่วนมากจะไปทําบุญนะตอนนี้มันเป็นปรากฏการณ์ใหม่ที่คนรุ่นใหม่คนระดับกลางๆไม่ได้จนเกินไปไม่ได้รวยเกินไปคนจนเกินไปไม่มีโอกาสหรอกทำมาหากินย้ดสุดฤทธิสุดเดชแล้ววันหนึ่งวันหนึ่งหมดแล้วหมดแรงลนะคนรวยเกินไปเขาก็ไม่ค่อยสนใจนะรู้สึกพวกเราระดับกลางๆ สนใจจริงๆมีพระบางองค์ท่านตั้งข้อสังเกตว่ายุคนี้เป็นยุคที่มีปรากฏการใหม่ท่านเรียกว่าปรากฏการหลวงพ่อประโมทคือเป็นปรากฏการที่คนหันมาสนใจการปฏิบัติจริงๆแล้วก็มุ่งมรรคผล น, นิพพานจริงๆไม่ใช่ปฏิบัติเล่นๆนะไม่ใช่เอาแค่ทาบุญแต่อยากพ้นทุกข์จริงๆนี่เป็นเรื่องใหญ่นะเป็นเรื่องสาคัญมาก จะเรียกปรากฏการอะไรก็ตามเถอะไม่สําคัญว่าชื่ออะไรสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือพวกเราชาวพุทธเนี่ยสนใจที่จะประพฤติปฏิบัตนะิเพื่อมรักผลนิพพานให้ได้ในชีวิตนี้เราไม่ได้คิดแล้วว่ามรรคผลนิพพานอยู่ไกลอยู่ที่ไหนอีกกี่พบกี่ชาติจะเจอบางคนก็มัวทําบุญนะสมัยก่อนหลวงพ่อเห็นมาแต่เด็กๆ เ, เวลาทําบุญก็จบ สาธุนะนิพพานะปัจจโยโหตุเนี่ยต้องมีเสียงอย่างนี้ด้วยแ ม, ไงไม่งัน้นไม่ขลังบางทีก็ต้องเคาะคระฆังให้เทวดาได้ยินอย่างเงี้ยนะสารพัดเลยเรียกร้องปรารถนานิพพานแต่ไม่เริ่มต้นเดินทางไปสู่พระนิพพานนเพราะเรียกร้องไปเถอะเรียกร้องให้ตายก็ไม่ได้เรียกร้องอย่างเดียวไม่ได้ต้องลงมือปฏิบัติจะลงมือปฏิบัติได้ต้องศึกษาเสียก่อน อย่าไปมั่วๆนึกเอาเองว่าทำอย่างนี้แล้วจะดีนึกเอาเองว่าทำอย่างนี้แล้วจะดีไม่มีทางได้กินหรอกเพราะคนที่จะค้นคว้าหาทางพ้นทุกข์ได้ด้วยตัวเองก็มีแต่พระพุทธเจ้ากับพระปัจเจ ก, กพุทธเจ้าเท่านั้นในยุค ข, ของเรานี้ไม่มีพระพุทธเจ้านะที่มีดำรงชีวิตอยู่ตอนนี้เราไม่มีไม่มีใครที่เป็นพระพุทธเจ้าไม่มีใครเป็นพระปัจเจก ASE, thren, พ, พุทธเจ้า มีอย่างมากก็พระอนุพุทธะอนุพุทธะคือผู้ที่ได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วก็รู้ตามท่านอย่างพวกเราทั้งหลายเนี่ยกำลังแคนดิเดตที่จะเป็นอนุพุทธะวันหนึ่งเราก็เป็นพุทธะเหมือนกันจะเป็นพุทธะที่รู้ตามพระพุทธเจ้าสอนเพราะฉะั้นเราต้องเรียนนะต้องเรียนต้องฟังให้รู้วิธีปฏิบัติขั้นแรกสุดต้องรู้ก่อนว่าปฏิบัติเพื่ออะไร ตอนนี้พวกเรามาถูกทางแล้วพวกเราปฏิบัติเพื่อพระนิพพานเพราะเรียกว่าเราตั้งเป้าถูกแล้นะถ้าปฏิบัติเพื่อให้เฮงเพื่อให้มีโชคมีลาภอะไรทนะั้งคนละเรื่องกันนะไม่ใช่ศาสนาพุทธแท้ๆหรอกศา ส, สนาพุทธแท้ๆเนี่ยปฏิบัติไปเพื่อพระนิพพานในสมัยพุทธกาลเคยมีพระองค์หนึ่งชื่อพระปุณณนะมันตนิบุตรพระองค์นี้เป็นองค์ที่เทศให้พระอานนท์ฟังแล้วพระอานนท์ได้พระสสดิบัณ วันะนี้ไม่ธรรมดาเลยนะสอนจนพราอนุนเป็นพระโสดานะนี่ยพระพุทธเจ้าก็ยกย่องพระปุณณะมันตานิบุตรบ่อยๆแต่ท่านไม่ค่อยได้มาเฝ้าพระปุณณะมันตานิบุตรนี่เป็นคนกบิลพัฒนะ์เรียกเป็นคนในชาติภูมิหมายถึงที่เกิดของพระพุทธเจ้านะนี่นานๆถึงจะลงมาเฝ้าที่สาวัตถีที่อะไรอย่างงี้สักครั้งนึ่งนะเดินทางกันไกลในกิตติศัพท์ของท่านเนล่ํา่ำลือท่านสอน ให้พระมักน้อยสันโดษเลยเนี่ยให้ฝึกปฏิบัติมีศีลมีสมาธิมีปัญญามีวิมุตต์เวลาพูดเวลาสอนจะสอนวนเวียนอยู่แต่เรื่องเท่านี้เองกลับได้รับการยกย่องนี่พระพุทธเจ้ายกย่องมากๆนะพระสารีบุตรได้ยินพระสารีบุตรก็เลยสั่งลูกศิษย์ของท่านไว้ว่าถ้าหากพระมันตานิบุตรมาเมื่อไหร่นะให้ไปบอกนะพระสารีบุตรจะรีบมาทักทายนะ ทำความรู้จักกันไว้นี่วันหนึ่งพระปุณณมันตินิบุตรมาจริงๆมาเฝ้าพุทธเจ้าสนทนาธรรมกันพอสมควรแล้วนะท่านก็ออกไปอยู่ที่ป่าไปพักผ่อนตอนกลางวันนี่ยไปพักในป่าลูกศิษย์พระสารีบุตรเนะีเห็นพระพุณณมันตนิบุตรมารีบไปบอกพระสารีบุตรพระสารีบุตรรีบกว่าอาสนะนะตามไปตามไปในป่าไปถึงก็เห็น มันตาลีบุตรท่านพักอยู่ใต้ต้นไม้ต้นหนึ่งพระสารีบุตรก็ไปพักอีกต้นหนึ่งไม่ไม่ทะเลทะลาเข้าไปนะมีมารยาทเวลานี้ท่านจะพักผ่อนนะไม่ใช่ชั้นจะคุยธรรมะงั้นเวลาหลวงพ่อพักผ่อนนะอย่าไปยุ่งกับหลวงพ่อนะ <laughs> <laughs> บางคนแนละ้วมันยังไม่ให้เราพักเลยนะเรียกว่าไม่ถูกธรรมเนียมนะนี่ยขนาดพระสารีบุตรนะท่านเป็นอัครส า, าวกนะศักดิ์ของท่านสูงกว่าพระมันมันตาลีบุตร ท่านก็รอพอตกเย็นๆพระมันตนิบุตรท่านออกจากสมาธิมาพระสารีบุตรก็เข้าไปทักทายไม่บอกชื่อกันนทักทายแค่ว่าท่านเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าหรือใช่เป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าถามไปถามว่าเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าด้วยกันพระสารีบุตรถามอีกว่าท่านปฏิบัติภาวนาเนี่ยเพื่อความบริสุทธิ์ของศีลหรือพระมันตนิบุตรบอกไม่ใช่พระสารีบุตรถามต่อว่า เพื่อความบริสุทธิ์ของจิตหรือนะท่านก็บอกว่าไม่ใช่นะเพื่อความบริสุทธิ์ของทิฏฐิคือความรู้ความเห็นหรือเปล่าก็ามไม่ใชนะ่เพื่อให้หมดความสงสัยในรูปธรรมนามธรรมาหรือเปล่าก็นะามไม่ใช่เพืนะ่อให้รู้วิธีปฏิบัติหรือเปล่าก็ไม่ใช่เนี่ยถามอะไรๆก็ไม่ใช่ไม่ใช่นะสุดท้ายท่านถามบอกเพื่อให้บรรลุมรรคผลหรือเปล่านะให้เกิดญาณทัศนะ รู้อริยสัจ ร, รู้แจ้งอริยสัจหรือเปล่าพระมัณฑนิบุตรก็ยืนยันว่าไม่ใช่พระสารีบุตรก็ทําเป็นงงต้องแกล้งทำงงนะระดับท่านไม่งงหรอกนะท่านบอกอ้าวไอ้นี่ก็ไม่ใช่ไอ้นี่ก็ไม่ใช่นะถามมาเจ็ดข้อแล้วไม่ใช่สักข้อแล้วท่านปฏิบัติเพื่ออะไรพระมัณฑนิบุตรบอกว่าก้าผมปฏิบัติภาวนามานี่นะเพื่ออนุปปาทาปรินิพพานนั้นเพื่ อ, อนิพพานนะไม่ใช่เพื่ออย่างอื่น งั้นพวกเราตั้งเป้าถูกแล้วตั้งเป้าถูกแล้วเราก็ต้องเดินในเส้นทางที่ไปสู่พระนิพพานยุคนี้เป็นยุคที่ดีมากพวกเราสนใจพระนิพพานนิพพานไม่ใช่เรื่องหลอกเด็กนิพพานมีจริงๆหลวงพ่อต้องมาประกาศเลยนะเพราะพระพุทธเจ้าท่านให้ประกาศนะธรรมะต้องประกาศให้บริสุทธิ์หมดจดเลยนะไม่ใช่มาอ้ําอําอึอ้งอึมีหรือเปล่าก็าไม่รู้นะต้องมีสิไม่มีจะปฏิบัติทําไมอะ่ะ นิพพานเป็นสภาวะอะไรลึกลับหรือไม่ใช่นิพพานเป็นสภาวะที่จิตเนี่ยหมดกิเลสตัณหานิพพานเป็นสภาวะที่จิตไม่ยึดถือในกายในใจไม่ยึดถือในสิ่งใดในโลกสภาวะซึ่งจิตหมดกิเลสตัณหาเนี่ยจิตก็หมดความบีบคั้นพวกเราสังเกตไหมเวลาเรามีความอยากใดๆเกิดขึ้นเนี่ยมันจะมีความบีบคั้นในใจเราหัดภาวนาไปช่วงหนึ่งก็เห็นแล้วใจเราถูกบีบคั้นตลอดเวลา อยากอย่างนี้ก็บีบคั้นอยากอย่างนี้ก็บีบคั้นใช่ไหมแค่อยากดูได้ยินเสียงอะไรก็แก๊กข้างหลังอยากดูเนี่ยไม่หันไปดูรู้สึกอึดอัดเลยอยากฟังอยากได้กลิ่นอยากได้รสมาฟังธรรมะหลวงพ่อนะฟังแล้วงงอยากรู้เรื่องแค่อยากรู้เรื่องอย่างกลุ้มใจเลยใจถูกบีบคั้นใจของเราถูกตันหาถูกความอยากบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาถ้าเป็นพระละหันนะจะไม่ถูกบีบคั้นคิดดูสิจะมีความสุขแค่ไหนเห็นไหม เราก็พอเห็นร่องรอยของพิษนิพพานได้นะว่าถ้าใจเราไม่ถูกบีบคั้นเราจะมีความสุขแค่ไหนใจของเราเนะี่ยเที่ยวยึดถือสิ่งต่างๆไปเรื่อยยึดอะไรก็ทุกข์เพราะนั้นะเนี่ยสมมุตินะนี่ยึดมีกระดาษหนึ่งแผ่นนะมีขวดหนึ่งอันถามว่าอันไหนหนักกว่ากันนเราก็ต้องบอกว่าขวดหนักกว่าใช่ไหมโดยสามัญสํานึกอ่ แต่ถ้าหลวงพ่อไม่ถือขวดหลวงพ่อถือกระดาษเนี่ยกระดาษหนักกว่า mm. ขันนี้ก็เหมือนกันนะขันห้าหรือว่าสิ่งใดในโลกนี่เหมือนกันตัวของมันเองมีน้ำหนักตัวของมันเป็นตัวทุกข์แต่ถ้าเราไม่ถือไว้เราจะไม่หนัก <Yeah. S 1> คนที่ภาวนาจนเป็นพระอหรหันต์เนี่ยจิตท่านไม่ไปยึดถืออะไรพราั้นจิตท่านไม่มีน้ำหนักขึ้นมาในขณะที่พวกเราภาวนาเรารู้สึกไม้มใจเราหนักหนัก yeah. ใจเราหนักๆบางทีใจก็มีตันหาก็ถูกบีบรู้สึกไหมถูกบีบถูกเค้นหนักๆเ น, นี่ยพวกเราเห็นแล้วนะเราเห็นสิ่งที่ตรงข้ามกับพระนิพพานนะพระนิพพานคือสิ่งตรงข้ามกับที่เราเห็นนี้แหละนะพทุทธเจ้าไม่ได้สอนแค่นี้กระจอกงอกง่อยนะบอกว่ามีนิพพานมีอยู่แต่ว่าไม่รู้จะไปยังไงท่านไม่ได้สอนนะี่ท่านบอกกระทั่งวิธีที่จะไปสู่พระนิพพานะวิธีที่จะไปสู่พระนิพพานนะัต้องจเจริญวิปัสสนากรรมฐานเท่านั้นนะมีคําว่าเท่านั้นด้วย ไม่มีเส้นทางที่สองเลยที่จะไปสู่พระนิพพานในความเป็นจริงแล้วนิพพานอยู่ต่อหน้าต่อตาเราตลอดเวลาเราไม่ต้องไปสู่พระนิพพานหรอกคําว่าไปสู่พระนิพพานเป็นแค่สํานวนโมหารนิพพานอยู่ต่อหน้าต่อตาเราตลอดเวลาเหมือนอากาศที่อยู่ต่อหน้ า, าเรานี่เองแต่เรามองไม่เห็นทําไมเรามองไม่เห็นนิพพานที่อยู่ตาา่อหน้าต่อตาพราะจิตของเราไม่มีคุณภาพจิตของเรานถูกบีบคั้นด้วยกิเลสตัณหาตลอดเวลาจิตของเราปรุงแต่งตลอดเวลา ทำให้เราไม่สามารถเห็นนิพพานซึ่งเป็นสภาวธรรมที่พ้นจากตัณหาและก็ความปรุงแต่งงั้นทําเมืไรเราภาวนาจนจิตของเราหมดตัณหาหมดความปรุงแต่งเราก็จะเห็นนิพพานทำยังไงถึงจะหมดตัณหาได้ตัณหามันเป็นความอยากความอยากมีสารพัดอยากใช่โบราณบอกว่ากิเลสพันห้าตัณหาร้อยแปดมีตัณหาตั้งร้อยแปดน บางคนก็พยายามคิดตัวเลขใหญ่นะเอาอะไรคูณกันบ้างเราได้รนะ้อยแปดก็มีนะพวกนักปริยัติเขาคูณจนได้นะได้รนะ้อยแปดทำไงทั้งหมดความอยากทั้งหลายทั้งปวงถึงจะมีมากนะโดยย่อลงมามันก็คือความอยากให้กายนี้ให้ใจนี้มีความสุขความอยากให้กายนี้ให้ใจนี้พ้นทุกข์จนะิเรศตัณหามันจะมีเท่าไหร่มันก็แค่นี้แหละตัวตัณหามันก็คืออยากจะสุขอยากจะไม่ทุกข์เท่านั้นเองนะอยากให้ตัวเรา มันพ้นทุกข์อยากให้ตัวเรามีความสุขเนี่ยมันมีตัวเราถ้าเมื่อไหร่ภาวนาจเจริญวิปัสสนามากๆรู้ลงในกายรู้ลงในใจมากๆจนจิตมันเห็นความจริงว่ากายนี้ไม่ใช่ตัวเราจิตนี้ไม่ใช่ตัวเราตัณหาคือความอยากให้ตัวเรามีความสุขก็จะไม่มีอีกจะไม่เกิดเองเลยขาดเป็นสมุดเฉดทหารเลยนั้นเราต้องคอยรู้สึกอยู่ที่กายรู้สึกอยู่ที่ใจเอง การที่เราไม่สามารถรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงได้ว่ากายนี้ใจนี้เป็นตัวทุกขนะ์เราไปเห็นว่าเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างเรียกว่าเรามีอวิชชาอยู่เพราะอาศัยอวิชชาอาศัยความไม่รู้นี่เองจึงเกิดตันหาขึ้นมาเราไม่รู้ว่าตัวเราไม่มีเราคิดว่าตัวเรามีจริงๆก็เลยอยากให้ตัวเรามีความสุขอยากให้ตัวเราพ้นทุกข์งนั้นการปฏิบัติเนี่ยนะเรามุ่งเป้าหมายแรกเลยเรามุ่งมาถอดถอนความเห็นผิดว่ามีตัวเราซะก่อนนะ สิ่งใดที่เรารู้สึกเป็นตัวเราก็คือกายนี้ใจนี้เรารู้สึกว่ากายเป็นตัวเราใจเป็นตัวเราผมไม่มีใค <où> รรู้สึกว่าไมโครโฟนเป็นตัวเราโต๊ะเป็นตัวเรานาฬิกาเป็นตัวเราเห็นหรือคนอื่นเป็นตัวเราหรือพื้นเป็นตัวเราผมไม่มีใครวิปลาสขนาดนั้นแค่รู้สึกว่ากายนี้ใจนี้เป็นตัวเราก็วิปลาสพอสมควรล้ะเป็นความเห็นผิดเป็นความเข้าใจผิดเป็นการหมายรู้ผิดผิด นี่ทำยังไงเราจะเห็นความจริงว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเราเราก็ต้องคอยมาดูของจริงว่ากายจริงๆเป็นยังไงจิตจริงๆเป็นยังไงเป็นตัวเราจริงหรือไม่จริงอยากรู้ความจริงก็ต้องดูของจริงวิธีดูของจริงนะอย่าไปบังคับกายอย่าไปบังคับใจพวกเราที่ปฏิบัติกันแทบล้มแทบตายแล้วบรรลุมรรคผลไม่ได้สัทีเพราะแทนที่เราจะรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงเรากลับไปพยายามบังคับกายบังคับใจ ทันทีที่คิดเรื่องปฏิบัตินะถ้าไม่บังคับกายก็บังคับใจเช่นพอคิดเรื่องปฏิบัติก็จะนั่งสมาธิต้องวางฟอร์มเนะี่ยนั่งนั่งท่านี้จเจริญสติไม่ได้นะต้องนั่งอย่างนี้เนี่ยอนั่งอย่างนี้ก็ไม่ได้เนี่ยต้องอย่างนี้เดินนะพ่อแม่สอนให้เดินมาแต่เด็กเดินไม่ได้ล้วต้องเดินไม่เหมือนคนธรรมดาแล้ะเดิน ไปนานๆนะกว่าจะได้ก้าวนั้นถ้าถูกหมาไล่กัดมันกัดตายไปนานแนละ้หนีไม่ทันเราจะไปดัดแปลงมันในอัตถกถาเนี่ยในคำพีชั้นอัตถกาเถยสอนไว้เลยถ้าเมื่อไร่อยากปรุงแต่งฝ่ายดีอยากอยากปฏิบัติธรรมเนี่ยปรุงแต่งฝ่ายดีนะสิ่งที่ทํามาเนี่ยก็คืออัตตะกิลมัทฐานุโยคอัตตะกิลมัทฐานุโยคคือการทํากายทําใจให้ลําบาก แทนที่เราจะรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงเราจะไปบังคับกายบังคับใจนั่งก็นั่งไม่เหมือนคนธรรมดาเดินก็เดินผิดปกติที่เคยเดินนะกระทั่งหายใจนะหายใจมาแต่เด็กหายใจมาตั้งแต่เกิดหายใจมาสบายๆพอคิดถึงการปฏิบัตินนะก็ต้องหายใจไม่เหมือนปกติละเช่นต้องรู้นะลมกระทบจงอยปากลมกระทบปลายจมูกลมกระทบเพดานลมกระทบคอนะลมะทบหน้าอกกระทบท้องเนี่ยมากเกินไป พราพุทธเจ้าไม่ได้สอนนกมากเกินไปหรือเวลาเดินพ่อแม่สอนให้เดินมาธรรมดานี่แหละบางคนก็เดินขย objc เบี้ยกบ้างขาไม่เท่ากันอะไรเงี้ยไม่เป็นไรไม่จําเป็นต้องเดินสวยเดินท่าไหนก็ได้ขอให้รู้สึกตัวถ้าเราคอยรู้สึกตัวอยู่นะเราคอยรู้กายเห็นกายมันทํางานนะเห็นจิตมันทํางานคอยดูมันไปเรื่อยๆรเราจะเห็นความจริงของเขาแต่ถ้าเราไปเพ่งให้กายนิ่งไปเพ่งให้จิตนิ่งเราก็จะไม่เห็นความจริงของเขาเขาจะนิ่งเกินจริง จิตนั้นะมันก็คล้ายๆเด็กคนหนึ่งเป็นเด็กสนด้วยจิตของทุกคนเป็นเด็กสนๆนะันั้นจิตมันจะเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงทำงานอยู่ตลอดเวลาถ้าเราแบบผู้ใหญ่ใจร้ายเราไปถือไม่เลี่ยวเฝ้าเด็กไว้เนี่ยเด็กก็ตัวแข็งๆไม่กล้ากระดุกกระดิกเด็กก็ผิดธรรมชาติลนะเด็กไม่กล้าเคลื่อนไหวจิตนี้เหมือนกันถ้าเราไปนั่งเพ่งนั่งจ้องนะจิตก็จะนิ่งไม่กล้าเคลื่อนไหวไม่กล้ากระดุกกระดิก งั้นเราอย่าไปเพ่งมั น, นปล่อยให้มันทํางานเป็นอิสระเลยแล้วมีสติตามดูผู้ปฏิบัติกับคนปฏิบัติไม่เป็นเนี่ยต่างกันนิดเดียวเด็กๆที่ปฏิบัติไม่เป็นนะจิตมันเดี๋ยวก็แข่งขึ้นเดี๋ยวก็แข่งลงเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายตลอดเวลาจิตมันเป็นอย่างนั้นเองเป็นธรรมชาติเจอสิ่งนี้มันดีใจเจอสิ่งนี้มันไม่พอใจนะเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยแต่ว่าเด็กนั้นอารมณ์มันเปลี่ยนแ ป, ปลงนะแต่มันไม่รู้ มันไม่รู้มันหมดแต่หลงออกไปภายนอกผู้ปฏิบัติต่างกับเด็กนิดเดียวตรงที่ว่าเรารู้ทันจิตเราโลภขึ้นมาเรารู้ทันจิตเราโกรธขึ้นมาเรารู้ทันจิตเราหลงขึ้นมาเรารู้ทันจิตฟุ้งซ่านจิตหดหู่จิตสงสัยจิตเป็นยังไงคอยรู้ทันไปเรื่อยๆแต่ว่าปล่อยจิตให้มันทํางานไปอย่างอิสระนะเหมือนเราเป็นเด็กๆปล่อยจิตมันให้ทํางานไปเหมือนจิตใจของเด็กธรรมดานั่นเอง เนี่ยฝึกไปอย่างนี้ง่ายๆเราก็จะได้เห็นความจริงว่าจิตนี้เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานี่คือไม่เที่ยงจิตนั้นทนอยู่ในสภาวะอันใดอันหนึ่งไม่ได้เช่นสุขก็สุขไม่นานนะทุกก็ทุกได้ชั่วคราวเนี่ยเรียกว่ามันเป็นทุกขังคือมันทนอยู่ไม่ได้มันถูกบีบคั้นตลอดเวลาจิตนี้นะแล้วมันจะเราสั่งมันไม่ได้มันจะสุขมันจะทุกข์มันจะดีจะชั่วเราสั่งมันไม่ได้นี่เรียกว่าอนัตตาเนี่ยเราดูของจริงนะเราก็จะเห็นอันนี้จังทุกขังอนัตตา เนี่ยดูในกายดูในจิตนะดูไปเรื่อยๆดูเขาทํางานไปเรื่อยอย่าไปบังคับเขาถ้าเราลืมดูเขาเรียกว่าหลงไปนะใช้ไม่ได้ถ้าเราไปเพ่งกายเพ่งจิตมันก็นิ่งๆไม่เห็นความจริงก็งใช้ไม่ได้ฉะนั้นให้เรารู้เล่นๆฉะนั้นเด็นเด็กเด็กเนี่ยจิตใจมันจะเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงมันอยากจะวิ่งมันก็วิ่งนะร่างกายมันก็เคลื่อนไหวไปหกล้มขึ้นมามันเจ็บมันก็ร้องไห้มันไม่ได้มีมารยาะของเราถ้าหกล้มใช่ไหมเรา เจ็บเนี่ยไม่เท่าไหร่แต่อายมากกว่าเห็นไหมเด็กไม่อายรู้สึกไหมแต่หลวงพ่อไม่ให้สอนให้พวกเราหน้าด้านนะแต่เทียบให้ฟังอะอย่างเด็กหกล้มเนี่ยเด็กเจ็บแต่ของเราเนี่ยอายเห็นไหมเจ็บด้วยแล้วอายด้วยเนี่ยบวกมารยาเข้าไปถ้าเรามีใจอย่างเด็กๆนะใจซื่อๆความรู้สึกใดๆเกิดขึ้นก็มีสติรู้ทันนะต่างกับเด็กตรงที่เด็กมันไม่รู้เท่านั้นเองแต่เด็กบางคนรู้นะหลวงพ่อตอนอายุสิบขวบไฟไหม้ข้างบ้านะ ตกใจวิ่งจะไปบอกพ่อวิ่งไปตุตบ๊บตุ๊บ๊วิ่งไปสามเก้าท่านะมันไปเห็นจิตที่ตกใจครับความตกใจมันดับลงตรงนั้นเลยมันตื่นขึ้นมางั้นเด็กบางคนมันก็เป็นเหมือนกันนะมีพวกเรานะปล่อยให้กายให้ใจเขาทำงานให้เขาเคลื่อนไหวให้เขาเปลี่ยนแปลงแล้วเราตามดูผู้ปฏิบัติไปพลาดตรงไหนพลาดตรงที่ไปทำลายหัวใจของเด็กๆเสียเป็นหัวใจที่เต็มไปด้วยมานยา เรากดขม่มบังคับตัวเองสารพัดเลยนะจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนก็ไม่เป็นธรรมชาติใจเราจะมีความรู้สึกอะไรเราก็คอยควบคุมคอยบังคับคอยกดขม่มจนเครียดไปหมดเลยเราะฉะ้เราเต็มไปด้วยความทุกข์เราสร้างความทุกข์ขึ้นมาเองเราสร้างความลำบากในกายในใจขึ้นมาเองลองเปลี่ยนซะนะอย่าไปเพ่งกายอย่าไปเพ่งใจอย่า ก, กหนดกายอย่า ก, กำหนดใจให้มีสติรู้กายให้มีสติรู้ใจรู้ไปเรื่อยๆรู้ไปเล่นๆ วันหนึ่งเราจะเห็นความจริงเลยทั้งกายทั้งใจนี้เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานะเคลื่อนไหวเปลี่ยนแ ป, ปล ง, ปลงตลอดเวลาเนี่ยมันไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริงเห็นแต่สภาวธรรมแต่ไม่มีตัวเราเนะช่นความโกรธเกิดขึ้นเราเห็นเลยความโกรธไม่ใช่ตัวเราหรอกเป็นสภาวธรรมที่ผ่านม า, า, าแล้วก็ผ่านไปความโลภเกิดขึ้นกะ็ไม่ใช่ตัวเราเป็นแค่สภาวธรรมอย่างหนึ่งเกิดขึ้นแล้วก็ผ่านไปนะทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วผ่านไปหมดเลย ความสุขเกิดขึ้นเนี่ยเรามีสติรู้อยู่มีใจตั้งมั่นเห็นเลยความสุขนั้นเป็นแค่สิ่งที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเป็นของแปลกปลอมมาช่วครั้งช่วงคราวความสุขไม่ใช่ตัวเราเนีเราจะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างผ่านมาผ่านไปล้วนแต่ไม่ใช่ตัวเราเนี่ยเราคอยรู้สึกไปรู้สึกไปนะในกายนี้ก็มีแต่สภาวะธรรมไม่ใช่ตัวเราในจิตก็มีแต่สภาวะธรรมไม่ใช่ตัวเราดูมากเข้ามากเข้าเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีเจ็ดปี นี่เสียงหายไปเฉยๆแสดงว่าไม่ค่อยน่าเชื่อถือเรื่องเจ็ดปีเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีนะดูไปเรื่อยฝึกไปบางคนก็รู้สึกแม้ภาวนามาตั้งสามวันแนะยังละสักกาย ท, ที่ถีไม่ได้เลยใจร้อนใจร้อนเวลาสะสมกิเลส น, นะสะสมมาตั้งหลายสิบปีใช่หไหมเวลาจะมาเจริญสติให้รู้ถูกให้เข้าใจถูกแหมสองสามวันจะเอาละบางคนก็สามเดือนนะ สเดือนทำไมไม่ได้สักทีเจ็ดเดือนทำไมไม่ได้สักทีทำไมอ่านหนังสือดังตรินบอกเจ็ดเดือนบรรลุธรรมนี่เราอ่านมาเจ็ดเดือนกับสามวันยังไม่บรรลุอีกอะไรเงี้ยนะอย่าใจร้อนอดทนค่อยรู้กายคอยรู้ใจเรื่อยๆไปการที่เราค่อยรู้กายรู้ใจเรื่อยๆไปนะถึงขณะนี้จะยังไม่บรรลุมรรคผลเราก็มีความสุขแล้ว ท, ทันทีที่รู้สึกตัวใจเราตื่นขึ้นมาเราจะเริ่มมีความสุขจิตใจจะมีความสุขขึ้นมา นั้นคนที่ภาวนากับหลวงพ่อนะจิตใจจะมีความสุขมีความแช่มชื่นเบิกบานหน้าตาสดใสเนี่ยมีคนเขาสังเกตนะบอกว่าลูกศิษย์หลวงพ่อนะหน้าตาผ่องใสจิตใจมันสว่างมีคนเขาบอกอย่างนี้เวลาไปตามวัดตามวานะไปเข้าวัดโน้นวัดนี้คนที่เขาอยู่ในวัดเนี่ยเขาเห็นบางคนเขาบอกเลยนะเนี่ยเขาเห็นปุ๊บเลยเขารู้เลยว่าเรียนกรรมฐานมาจากใคร เพราะพวกเราตื่นนั่นเองพวกเราตื่นนะจิตใจพวกเราสว่างไสวจิตใจพวกเรามีความสุขนี่แค่มีสตินะคิดดูนี่แค่เบสิกเท่านั้นเพิ่งจะมีสติเองอะ่ะถ้าใจมีความตั้งมั่นถ้าใจมีปัญญาถ้าใจเกิดวิมุตต์เกิดมรรคผลขึ้นมาเราจะมีความสุขขนาดไหนมีความสุขมหาศาลมีความสุขจนไม่มีอะไรเปรียบเทียบได้ความสุขในโลกเป็นของหลอกลวงชั่วครั้งโชวคราวความสุขในโลกเป็นของที่ยิงอาศัยคนอื่นและสิ่งอื่น แต่ความสุขในธรรมะของเราเรามีสติเราก็มีของเราเองไม่ได้อาศัยใครไม่ได้ไปเช่าสติมาจากใครเนี่ยเรามีสมาธิเรามีปัญญาเราก็มีของเราเองสะสมพอกปูนของเราเองเราพึ่งตัวเองได้เฉะนั้นยิ่งเราฝึกไปนะเรายิ่งมีความสุขมากขึ้นมากขึ้นไม่ต้องมีใครม า, มาวาเลนไทน์กับเราเราก็มีความสุขนะเอไม่ต้องมาส่งความรักให้เราหรอกนะเพราะเรารักตัวเองแล้วเรารักตัวเองเราก็มหัดภาวนาช่วยตัวเองให้มีความสุข พอเริ่มต้นพอมีสติก็มีความสุขละภายในเดือนเดียวเดือนนี้นะคนที่มาเรียนหลังๆเนี่ยสักเดือนหนึ่งก็เริ่มรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาบางคนมาเรียนกับหลวงพ่อครั้งเดียวก็ตื่นละมีคนเขาตั้งข้อสังเกตอีกบอกว่าเสียงหลวงพ่อเนี่ยทำให้คนตื่นสงสัยจะเสียงดังนอนหลับแล้วฟังแล้วตื่น เมื่อก่อนมีคนเป็นห่วงบอกมิตรสอนของหลวงพ่อนะไล่ชี้ให้ดูสภาวานะนีถ้าไม่มีหลวงพ่อแล้วจะตื่นได้หรือเปล่าตอนนี้มีบทพิสูจน์นะพิสูจน์ว่าตื่นได้แน่นอนคนที่ฟังซีดีหลวงพ่อแล้วตื่นขึ้นมาเนี่ยนับจํานวนไม่ท้วนนะะตื่นขึ้นมาได้จริงๆรู้ตัวขึ้นมาใจขยับเยืย้อนเคลื่อนไหวมองเห็นนะใจมีกิเลสเล็กกิเลสน้อยเริ่มมองเห็นแนละ้วใจค่อยคลายออกจากโลกค่อยๆคลายออกจากความปรุงแต่งเป็นลําดับลําดับ เบื้องต้นนะเราจะรู้สึกว่าร่างกายกับจิตนี่แยกออกจากกันห่างๆกันแล้วก็เห็นความสุขความทุกข์คือเวทนาทั้งหลายกับจิตนันก็แยกออกจากกันเราเห็นกุศลกุศลทั้งหลายกับจิตนันก็แยกออกจากกันเราเห็นจิตนั้นเกิดดับไปเรื่อยๆไม่มีตัวตทนที่แท้จริงเราฝึกไปด้วยในที่สุดนะจิตมันจะถอดถอนตัวเองห่างออกมาจากขันห้าจากกายจากใจจากรูปจากนามขันห้าอยู่ส่วนขันห้าจิตอยู่ส่วนจิตโดยไม่ได้ประคองโดยไม่ได้รักษา ถ้าฝึกได้ถึงขนาดนี้เขาเรียกว่าพระอรหันต์จิตเราไม่ต้องไปเกาะเกี่ยวกับสิ่งใดอีกงั้นภาวนานะวันหนึ่งเราจิตไม่เกาะไม่เกี่ยวกับสิ่งใดทั้งปวงมีแต่ความสุขลน้ลนล้นมันจะโปร่งมันจะโล่งมันจะเบากิเลสตัณหาทั้งหลายจะไม่มาบีบพั้นจิตอีกต่อไปความปรุงแต่งจะไม่เกิดขึ้นเวลาที่พวกเราคิดสังเกตไหมเวลาเราคิดเราจะเกิดมโนภาพขึ้นมานะเพิ่งแปลคําว่า image ได้มีใคร มาแปลให้เมื่อสองสามวันนี่แต่เดิมนะดังตินไปคุยกับหลวงพ่อดังตรินเขาบอกผมรู้แล้วว่าคนทั่วๆไปนะกับพระอรหันต์เนี่ยต่างกันยังไงคนทั่วทั่วไปเวลาคิดรับเกิดอิมเมจพระอราหันต์คิดไม่มีอิมเมจเนี่กเก็เออเออเ อ, อ, อิมเมจอิมเมจแปลว่าอะไรว่านะมีคนท่ามาแปลบอกมันเป็นมโนภาพเออใช่ เวลาพวกเราคิดแล้วมันเกิดมโนภาพรู้สึกไหมมีภาพในใจขึ้นมาภาพในใจมีหลายแบบบางทีเป็นรูปภาพเห็นเป็นคนน้นคนนี้ขึ้นมาก็ได้บางทีเป็นเสียงก็ได้บางทีเป็นตัวหนังสือก็ได้อย่างเราลองท่องพุทโธพุทโธนะที่มีตัวหนังสือพุทโธให้ดูเลยเพราะไม่รู้จะสร้างสั ญ, ญลักษณ์อะไรเพราะเราเคยชินที่จะสร้างสั ญ, ญลักษณ์ จิตเของเรามันเคยชินที่จะสร้างภาพตลอดเวลาเลยเพราะสร้างภาพแล้วก็ไปครอกคลุกคลีเกาะเกี่ยวอยู่ในภาพแบบนั้นเองถ้าภาวนาถึงขีดสุดนะใจไม่สร้างอะไรขึ้นมาเลยไม่ปรุงอะไรเลยนะจิตของคนทั่วๆไปเนี่ยเบื้องต้นมันจะปรุงกิเลสขึ้นมาเสร็จแล้วกิเลสนั่นแหละจะย้อนกลับมาปรุงแต่งจิตอีกทีหนึ่งจะทําให้จิตมีความทุกข์จิตถูกปรุงแต่งนะส่วนพระอราหันต์นั้นจิตไม่ปรุงกิเลสแล้วกิเลสก็ไม่มาปรุงจิตเพราะว่าอะไรเพราะไม่ได้ปรุงกิเลสขึ้นมา เราค่อยฝึกนะแล้วเราจะมีความสุขอยากรู้ว่าพระอราหันต์เป็นไงเราก็สังเกตที่ใจของเราเห็นไหมใจถูกบีบคั้นตลอดเวลามีถูกบีบถูกบีบเห็นไหมใจปรุงแต่งตลอดเวลาสร้างภาพสร้างอะไรตลอดเวลาแล้วคิดดูสิถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้มันจะสบายแค่ไหนนี่ตัวอย่างนะตัวอย่างเรียกว่าโฆษณาหนังโฆษณาฉายให้ดนะูประมาณครึ่งชั่วโมงเนะชิญถาม มรักการค่ะหลวงพ่อเพอิ่งมาครั้งแรกค่ะปฏิบัติทำแนวท่านโคนก้าอยวบอกสิไม่ต้องบอกนะเดีย๋ยวไปกระทกกระทั่งของโยมอย่าไปบังคับมันนะยังบังคับอยู่พยายามรู้สึกไปร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งนื้เวทนาอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่งค่อยๆฝึกแยกไปถ้าไม่สามารถแยกรูปธรรมนามธรรมทั้งหลายออกจากกันได้เนี่ยจะไม่สามารถเห็น ความไม่ใช่ตัวตนของรูปธรรมนามธรรมทั้งหลายอย่างถ้าเราแยกได้เราเห็นในร่างกายที่กำลังนั่งอยู่นี้ไม่ใช่ตัวเราเวทนาที่แทรกเข้ามาในกายนี้ก็ไม่ใช่ตัวเราจิตที่เป็นคนไปรู้ก็เป็นแค่ธรรมชาติรู้นี้ไม่ใช่ตัวเราฝึกอย่างนี้นะอ้าวถามได้จะขอวิหารธรรมแนั่นแหละสอนไปแล้วนะไปดูเอาค่อยๆแยกไปเห็นร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งเห็นจิตอยู่ส่วนหนึ่งนะดูไป คือการฝึกแนวที่ใช้กายและเวทนาเนี่ยสิ่งที่สําคัญที่สุดจะต้องมีตัวผู้รู้นะงั้นในพระอภิธรรมจะสอนว่ากายานุปัสสนาสติปัฏฐานและเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานเนี่ยเหมาะกับสมถะหานิกหมาะกับคนทําฌานเวลาเราทําสมาธิถึงระดับฌา น, นใจมันจะตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูขึ้นมานะพอถอยออกจากฌานออกจากสมาธิมาแล้วเนี่ย เ้าจะเห็นกายนี้ไม่ใช่ตัวเราจะเห็นทันทีเราจะเห็นเวทนานี้ไม่ใช่ตัวเราจะเห็นทันทีเพราะั้นต้องมีตัวรู้ที่แยกออกมาอย่าให้ใจเราไหลลงไปในเวทนาให้เห็นเลยกายอยู่ส่วนหนึง่งเวทนาอยู่ส่วนหนึง่งจิตอยู่ส่วนหนึง่งถ้าจะใช้แนวกายและเวทนาก็ต้องมีคนจิตเป็นคนดูอยู่ถ้าจะดูจิตแล้วก็จเจริญธรรมานุปัสสนาเนี่ยไม่ต้องตั้งตัวผู้รู้ขึ้นมาความรู้สึกใดๆเกิดขึ้นรู้เข้าไปเลยแล้วความรู้สึกทั้งหลายนะั้นมันเกิดแล้วก็ดับให้ดูได้ทั้งสิ้น ดูไปดูไปน่ใจมันจะตั้งขึ้นเองสมาธิมันจะเกิดขึ้นทีหลังเพะฉนั้นกายและเวทนาเนี่ยเหมาะกับสมถะญาณิกเหมาะกับคนทําฌานถ้าไม่ได้ทําฌานทํายากนะส่วนจิตตานุปัสสนากับธรรมานุปัสสนาเนี่ยเหมาะกับวิปัสสนาญาณิกเหมาะกับคนที่จเจริญสติแล้วตามรู้เข้าไปเลยนะเราะฉะนั้นถ้าคุณจะเดินในสายกายสายเวทนาคุณต้องมีจิตเป็นคนดูไวเห็นกายอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่ง เช่นเห็นร่างกายมันยืนร่างกายมันเดินร่างกายมันนั่งร่างกายมันนอนจิตเป็นคนรู้ะกายมันยืนจิตเป็นคนรู้กายมันนั่งจิตเป็นคนรู้กายมันหายใจออกจิตเป็นคนรู้กายมันหายใจเข้าจิตเป็นคนรู้มันจะเห็นไปเรื่อยจนเห็นว่ากายนี้ก็ไม่ใช่ตัวเราเวทนาใดๆเกิดขึ้นนะความสุขเกิดขึ้นจิตก็เป็นคนไปรู้ความทุกข์เกิดขึ้นจิตก็เป็นคนรู้ะดูอย่างนี้เรื่อยๆในส่วนจะมีคนหนึ่งเป็นคนรู้อยู่จะเห็นทุกอย่างนี้เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงหมดเลย ล้วนแต่ไม่ใช่ตัวเราฝึกเอานะถ้าชอบสายเวทนาก็ลลำบากนิดนึงเวลานั่งปวดปวดก็อย่าขยับแล้วต้องนั่งดูไปเรื่อยจนใจมันยอมรับความจริงว่าเวทนาไม่ใช่ตัวเราไม่อยากดูเวทนาเนี่ยนี่ถ้าคนไหนดูกายนั่งไปเรื่อยมันเมื่อยร่างกายมันนั่งมันเมื่อยก็ลุกขึ้นยืนลุกขึ้นเดินเปลีย่ยนอิริยาบถไป เราเห็นรูปมันขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวไปนี้เราได้รู้รูปแล้วรูปที่เคลื่อนไหวไปมานี้มันไม่ใช่ตัวเราเปลี่ยนอิริยาบถไปนี้ไม่ใช่ตัวเราถ้าคนไหนดูจิตนะนั่งไปแล้วเมื่อยก็ลุกขึ้นมาตอนะนั่งแล้วมันเมื่อยใจกระสับกระส่ายเรารู้ว่าใจกระสรรับกระส่ยนี่พวกดูจิตนะพอลุกขึ้นมานะหายเมื่อยแล้วจิตใจมีความสุขพ อ, อพอใจให้มารู้ทันว่ามีความสุขรู้ว่าทันว่าพ อ, อกพอใจนี่รู้ทันจิตไม่ต้องลำบากนะแต่ถ้าจะดูเวทนานะต้องสู้ตายเลย นั่งดังด้งดูไปเรื่อยๆถ้าไม่ตายสักข้างหนึ่งก็ดีอะถ้าเราไม่ตายกิเลสก็ตายนะอะ่เชิญกลับน้นมนตัตการหลวงพ่อค่ะเ อ, อปีที่แล้วติดประคองนะคะแล้วก็หลวงพ่อให้ดูกายเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกนะคะ่ะก็รู้สึกไหมมันคลายออกนะขาดคลายออกค่ะแล้วถ้าสังเกตต่อไปอีกนะอย่างตอนเนี้ยกลัวหลวงพ่อก็เลยกดเอาไว้ด <c oughs> ูออกไหมดูออกค่ะ แล้วจิตปกติเหมือนตอนนี้ไหมไม่ค่ะดูออกไหมจิตตอนนี้ไม่ตั้งมั่นค่ะรู้สึกไหมจิตตอนนี้กระจายออกไปข้างนอกกระจายค่ะให้รู้ทันว่าจิตกระจายออกไข้างนอกนะถ้าจิตไม่ตั้งมั่นเรียกว่าขาดสัมมาสมาธิอริยมรรคจะไม่เกิดในขณะนั้นนะงั้นให้เรารู้ทันว่าจิตเรากระจายออกไปถ้ารู้ทันนะมันจะหดเข้ามาเองให้รู้เฉยๆห้ามไปดึงเข้ามานะของคุณตอนนี้ปัญหาของคุณตอนนี้คือมันรู้แล้วมันกระจายออกไปข้างนอกมันไม่ทวนกระแสเข้ามาที่ใจ ให้รู้เฉยๆป่ะออกนอกค่ะ่ะคนคต่อไปกราบน้ำส ก, การนอาจารย์ค่ะก็ครั้งแรกที่มีโอกาสได้ส่งการบ้านก็เคยพบท่านมาแล้วจากที่ส่วนศ ร, ร, รัทธามในค่กรณี้ของโยมนี่ไม่ทราบว่าตัวเองที่ทําอยู่นี่ยอมรับว่าเรียนมาทางสมถะแล้วก็ไม่ได้ว่าเรียนมาก ส่วนใหญ่จะอ่านหนังสือแล้วมีโอกาสได้สอนธรรมศึกษาแล้วก็เรื่องพุทธประวัติทําให้เกิดศรัทธาก็มีความรู้สึกที่อยากจะมุ่งมั่นสู่ถึงนิพพานาอย่างแท้จริงให้เรารู้ทันจิตเท่าไปเลยนะเช่นเราอ่านพุทธประวัติจิตใจเราเกิดศรัทธาในพระพุทธเจ้ารู้ว่ากําลังศรัทธาอยู่ะน ะ, ใ, ะให้คอยรู้ทันไปเราไปอ่านเรื่องอื่นแล้วชักโมโหลนะไปฟังเรื่องข่าวสารการเมืองเศรษฐกิจเลยอารมณ์ไม่ดีรู้ว่าอารมณ์ไม่ดี ดูจิตไปเลยนะของคุณของคุณเป็นคนคิดมากดูจิตไปต่อไปมรรคการว่าไงยิ้มไม่เลิกบางครั้งก็เหมือนกับเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างแต่ทําไมบางครั้งมันก็เหมือนกับไม่เคยเข้าใจอะไรเลยเรายังเข้าใจด้วยสัญญานะยังไม่ใช่เข้าใจด้วยตัวปัญญาแท้ๆเพราะฉะนบางทีก็รู้เรื่องบางทีก็ไม่รู้เรื่อง ให้เราคอยรู้ทันใจของเราไปเรื่อยอย่าไปกดให้นิ่งนะแล้วถ้าใจฟุ้งซ่านทําความสงบเข้ามาบ้างคอยรู้ทันใจที่สงบต่อไปของคุณต้องดูกายไว้ด้วยนะอย่าทิ้งกายนะร่างกายยืนเดินนั่งนอนคอยรู้สึกไปเห็นเหมือนเห็นคนอื่นยืนเดินนั่งนอนไปเรื่อยๆนะไปดูเอานะเห็นกายทํางานไปเรื่อยๆตอนนี้ยจิตแอ บ, บไปคิดแล้วซัยบไหม ให้รู้ทันแล้วกีพยักหน้าเห็นไหะ ด, ดูกายไปด้วยนะอ่ะต่อไปขอธรนมกส ก, การหลวงพ่อครับหลวงพ่อครับเอ่อโดยรวมแล้วผมเริ่มจะรู้สึกตัวเป็นอย่างครก็เป็นนะโดยรวมก็พอใช้ได้ละแต่ตอนนี้จิตมีโมหะดวอกไหมความรู้สึกของเราขณะ น, นี้มัวมัวไม่ชัดเจนซึมซึมมัวมัวดอกไหมครับนะไม่ต้องเกรงใจนะถ้าไม่ออกก็จะได้พาดูอย่างอื่นแทนนะ <laughs> พี่จิตมันมีโมหะอยู่ให้รู้ทันนะจิตเป็นยังไงให้รู้ทันไปด้วยจิตแอบไปคิดแล้วทราบไหมตอนนี้จิตมันไหลไหลไหลไหลไปคิดให้รู้ทันเนี่ยไปอีกแล้วรู้สึกไหมเนี่ยให้รู้ทันนะคนต่อไปง่ายเห็นไหมกรรมารรมฐานไม่รู้กายก็รู้ใจก็มีแค่นั้นแหละเดิมจะดูลมหายใจเจ้ค่ะ แต่ตอนนี้ก็พยายามฟังซีดีของหงพ่อนะคะเวลาคุณหายใจนะจิตมันยังไหลไปอยู่ที่ลมอยู่งั้นเวลาหายใจต่อไปเนี้ยดูเหมือนเราดูอยู่ห่างๆเหมือนนั่งดูคนอื่นหายใจอย่าให้จิตน้อมเข้าไปที่ลมนะคุณวางไมโครแล้วหายใจให้หลวงพ่อ ด, ดูวางไมโครโฟนกันนะแล้วหายใจไปเนีย่ยรู้สึกไหมจิตเราเคลื่อนไปจิตเราส่งออกนอกนะแค่นี้ก็ออกนอกแนละ้ว เนี่ยตอนเนี้จิตมันฟุง้งซ่านรู้สึกไหมมันขยับไปขยับมานะเราก็รู้ว่ามันฟุง้งซ่านเนี่ยจิตหนีพิคิดให้รู้ว่าหนีพิคิดนะอย่าไปเพ่งให้นิ่งนะขอบคุณตอนเนี้น้ําใจให้นิ่งมากเกินไปรู้สึกไหมจิตใจขณะนี้ไม่เหมือนจิตของคนธรรมดาเจ้าค่ะกลับมาเป็นคนธรรมดาให้ได้ธรรมดาที่สุดดีที่สุดนะธรรมะกับธรรมดานะคําเดียวกันเราต้องการเห็นว่าธรรมดาของกายนี้เป็นอย่างไรธรรมดาของจิตนี้เป็นอย่างไร อย่าไปดัดแปลงกายดัดแปลงจิตให้ผิดธรรมดาขอคนเวลารู้ลมหายใจแล้วมันนิ่งกว่าความเป็นจริงตอนนี้ค่อยๆ ค, คลายซะพอเราคลายเราไม่เพ่งกายไม่เพ่งจิตกายก็เคลื่อนไหวจิตก็เคลื่อนไหวเรามีส ต, ติตามดูเรื่อยๆเราจะเห็นไตรลักษณ์ถ้าเราเพ่งให้กายนิ่งเพ่งให้จิตนิ่งจะไม่มีไตรลักษณ์ให้ดูตอนนี้นี่ไปคิดทราบไหมใจไหลไิคิดนะขอคุณรู้สึกที่กายด้วยนะรู้สึกกายให้เยอะนิดนึง คุนทำสมาธิจนจิตมันนิ่งเกินไปนิดหนึ่งแล้วเหมือนพยายามกระดุกกระดิกพยายามกระดุกกระดิกไปอ้าวลองไงอีกขอกันบ้านเจ้าค่ะนี่แหละให้แล้วนะยังมาทวงกันบ้านอีกแค่นี้ก็ทำกันเป็นปีแล้วนะน้ำมศการหลวงพ่อวันนี้กี่ปีแล้วล่ะอายุสิบปีสิบปีเออสิบปีกำลังดีอ่าวว่างไงจะส่งกันบ้านขอรับเหรอ ตื่นเต้นรู้สึกไหมรู้สึกครับนะตื่นเต้นเราก็รู้นะรู้สึกไหมเราไปบังคับใจให้นิ่งไปกดกดมันไว้รู้สึกครับนะเนี่ยใจเราแอบไปคิดแล้วรู้สึกไหมรู้สึกเห็นไหมเด็กง่ายง่ายเห็นไหมใครบอกดูจิต ด, ดูยากนะให้มาเรียนกับอาจารย์เด็กคนนี้นะเออพราะอะไรพระเด็กไม่หมัน่นยาของเราเนะี่ยคิดมากบอกให้ดูจิตนะเราจะคิดจิตอยู่ที่ไหนวะจะเอาอะไรไปดูจะดูยังไง่ ส่วนเด็กนะบอกมันให้ดูอะไรมันก็เห็นไปหมดแล้วก็ดูง่ายแอบไปคิดแล้วรู้สึกไหมรู้สึกครับรู้สึกไหมตอนที่เราไปคิดตะเกียเราลืมตัวเราเองครับะใจเราหายไปตัวเราหายไปครับนะรู้สึกบ่อยๆนะครับโอภาณเกิ่งเด็กคนนี้ใจมันตื่นเลยเขินแล้วรู้สึกไหมเขินแล้วรู้สึกครับต่อไปนี้ให้กันบ้านเวลาอยากดูหนังการ์ตูนนะให้รู้ว่าอยากแล้วก็ค่อยดูทีหลังนะ เวลาอยากกินขนมให้รู้ว่าอยากแล้วก็ค่อยกินทีหลังนะให้รู้ก่อนนะแล้วค่อยไปดูค่อยไปกินเวลาอยากไปเล่นให้รู้ว่าอยากเวลาโมโหเพื่อนให้รู้ว่าโมโหโมโหใครบ่อยที่สุดพื่อนครับโมโหเพื่อนไม่โมโหแม่เหรอไม่ครับไม่นะโอ้ลูกดีแต่พูดอ่อยๆหน่อยลนะเพะะันเวลาโมโหให้รู้ว่าโมโหนะเวลามีความโศกรู้ว่ามีความศก ใจลอยรู้จักไหมเมื่ อ, ก, อกี้ใจหนีไปละเออไปหัดดูอย่างนั้นแหละอ่ะไปต่อไปต่อไปคือใครจริงๆแล้วง่ายเห็นไหมกรรมฐานหลวงพ่อถึงบอกว่าสวมหัวใจเด็กไว้แล้วมันง่ายผู้ใหญ่มันคิดมากนะเด็กมันโกรธมันก็รู้ว่ า, วาโกรธทำไมมันจะไม่รู้ของผู้ใหญ่โกรธแล้วไปดูความโกรธจะดูยังไงจะดูได้ยังไงคิดอยู่นั่นแหละบางคนมาบอกหลวงพ่อนะมันส่งกันบ้าน มูนี้จิตดีฉันมัวแล้วเกินดูไม่ออกเลยเอา้าวดูไม่ออกแล้วรู้ว่ามวัวมัวแล้วรู้ว่ามัวนั่นแหละดูออกแล้วนะี่คิดมากเลยอา้าวต่อไปครับมณัสกานครอบหลวงพ่ออืมนมัสการครั บ, รบมมรไม่ใช่มณัสการเอา้าว่างไงมันเต้นเต้นครับครั้งแรกครับธรรมดาครับทีนี้จะมาขอการบ้านหลวงพ่อครับเด็กขอแล้วทำไหมครับครับขอแล้วต้องทำนะครับ ในะครรู้ทันใจของเราไปไดนะ้ใจเราสุขก็รู้ทุกก็รู้นะชีโมโหหรือเปล่ามีบ้างครับนั่นแหละไปดูนะเวลาใจมันโมโหขึ้นมาเราก็รู้ทันเพราะความโมโหเนี่ยเป็นสภาวะที่ดูง่ายที่สุดเลยนะมันเป็นของหยับหยาเวละโกรธขึ้นมาดูง่ายหัดเบื้องต้นเราก็หัดดูสภาวะหยับหยับก่อนนะต่อไปมันละเอียดเองแค่ขัดใจเล็กๆ เ, เ, เราก็เห็นแล้วนะไปฝึกเอานะแล้วฟังซีดีบ่อยๆนะครั บ, รบต่อไป รัศการพระอาจารย์ครับผมไปอยู่วัดเมื่อเดือนที่กาห้าวันครับก็ไม่ได้ส่งกันบ้านประมาณสามเดือนแล้วตอนกลับมาจากวัดช่วงแรกก็ดีอยู่ประมาณเดือนหนึ่งครับแล้วก็หลังจากนั้นก็รู้สึกมันงงงวไปไม่ค่อยมีปัญญาภาคหลังนี้รู้สึกว่าไปยุ่งกับโลกก็รู้สึกจิตใจแย่ลงแต่เรื่องกดยังไม่ไม่เลิกกดครับพระอาจารย์มันเวลาเรานั่งสมาธิกาจาะ มันก็จะกดทันทีเลยเออนันมันจงใจพยายามปฏิบัติในชีวิตธรรมดารๆนี่ให้มากๆนะโยการเวลาไปนั่งสมาธิมันกดก็รู้ว่ามันกดไปก็นั่งไปตอนนี้กดไม่มากแล้วใช้ได้จิตมันมัวรู้ด้วยความเป็นกลางเพราะฉะนั้นจิตมัวรู้ว่ามัวไม่ต้องอยากให้หายถ้าอยากให้หายังไม่หายเวลาที่เราอยากให้เป็นอย่างนี้อยากให้เป็นอย่างนี้จิตมันมีความอยากมันมีกิเลส สติแท้ๆเลยไม่เกิดนะแต่ถ้าจิตมัวมีสติรู้ทันว่าจิตกำลังมัวอยู่นี่จิตจะหายมัวเลยนะรู้ทุกอย่างด้วยจิตที่เป็นกลางนะรู้ไปตอนนี้มีประคองไว้นิดหน่อยนะอะคนต่อไปขอบคุณมากเห็นไหมตอนส่งใหม่กับตอนรับใหม่ลืมทั้งคู่เลยรู้สึกไหมนับสักการะครับ<ล>ช่วงนี้ผมใช้การรู้กายเคลื่อนไหวกับสวดมนต์สลับกันไปเครื่องอยู่นะครับก็ยัง นิ่งแล้วก็ซึมอยู่นะคะเออนะอย่าน้อมใจให้ซึมสินะยังยังน้อมอยู่ยังน้อมอยู่ขนาดนี้ยังน้อมเลยแล้วกดกดไปด้วยไหมครับกดเนี้ยกดมันเป็นเรื่องธรรมดาของนักปฏิบัติกดแทบทุกรายแต่เของคุณยังกดอยู่นะแต่ไม่แรงมากอ่ะแล้วต้องดูอะไรเพิ่มเติมแต่สังเกตไหมตอนนี้ไม่ได้น้อมให้ให้ซึมนะตอนนี้ไม่ซึมเท่าแต่กี้รู้สึกไหมไม่ไม่ไม่รู้สึกยังไม่ออกไม่เป็นไรแล้วไงถามอะไรเมื่อกี้ เรื่องตอนทําในรูปแบบนะครับเช่นเราสวดมนต์ไปเรื่อยนะครแล้วเราอย่าปล่อยคือคือปล่อยให้ใจระลึกรู้ไปเองว่าเผลอไปหรือว่าต้องจงใจนิด น, นึงนะฮะว่าอย่าไปจงใจสินะถ้าจงใจแล้วจะกลายเป็นเท่งเพะั้นให้เผลอไปก่อนเรารู้ว่าเผลอให้ใจรู้เองหรือครให้ใจรู้เองทําไมเราต้องสวดมนต์หรือว่าต้องมีกรรมฐานอันใดอันหนึ่งขึ้นมาก่อนปกติเนี่ยจิตของเราเนี่ยร่อนเร่ตลอดเวลา เปลี่ยนอารมณ์ตลอดเวลาเพราะงั้นดูยากเราก็สร้างอารมณ์กรรมฐานขึ้นมาเป็นตัวสังเกตนะสมมุติว่าเนี่ยใจของหลวพ่อแต่เดิมวิ่งไปวิ่งมาเนี่ยดูยากนี่เราสร้างตัวหนึ่งขึ้นมาก่อนพระใจเรามาอยู่ที่นี่เราก็รู้ใจเคลื่อนไปจากที่นี่เราก็รู้เพราะงั้นเราแต่ละคนเนี่ยมีอารมณ์กรรมฐานมีเครื่องอยู่ไว้อันหนึ่งก่อนมันจะทําให้ไม่หลงนานพอใจเราเคลื่อนไปจากอารมณ์นี้เราก็รู้ทัน ใจเรามาเพ่งอยู่ที่อารมณ์นี้เราก็รู้ทันเช่นเราอยู่กับพุทโธอยู่กับลมหายใจอยู่กับท้องพองยุบเนี่ยเบื้องต้นก็อยู่เไปอยู่เล่นๆไม่ใช่อยู่บังคับตัวเองให้นิ่งๆดูท้องพองยุบดูลมหายใจเย่างี้จิตหนีไปคิดรู้ว่าจิตหนีไปคิดมันจะมีเครื่องสังเกตนี่ทาให้รู้ได้เร็วรู้ได้ชัดต่อไปสติจะเกิดบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นคือตอนรู้ใจนี้รู้ไปเองรู้เองใช่ไหมรู้เองรู้เองนะต้องรู้เองนะไม่ใช่บังคับให้เกิด แต่ว่ามันรู้ได้เองเพราะอะไรเพราะจิตจําสภาวะได้งั้นเราก็หัดดูไปด้วยจิตไหลไปก็รู้ไหลไปก็รู้ไหลไปทางนี้ก็รู้ไหลไปทางนี้ก็รู้เราก็รู้ได้ได้รู้ได้ได้ต่อไปจิตชํานาญแะจําสภาวะที่จิตไหลไปได้เพราะมันไหลปั๊บนะสติเกิดเองเลยมันจะรู้ขึ้นมาเองแต่คนทั่วๆไปไม่เคยฝึกเจริญสตินะสติไม่เกิดหรอกจะให้รู้เองมันไม่รู้เลยทั้งชาติวนะ่นะามันเคยชินแต่ความไม่มีสติ งั้นเราหัดสังเกตสภาวะไปมีความสุขขึ้นมาก็รู้ทุกก็รู้ดีก็รู้ชั่วก็รู้ดูไปเรื่อยๆจิตหนีไปคิดก็รู้จิตไปฟังก็รู้จิตไปเพ่งอยู่ก็รู้จิตเป็นยังไงก็คอยรู้ไปเรื่อยตามดูเล่นๆไปก่อ น, นตามดูนะตามดูเล่นๆไปจนจิตมันจำสภาวะแม่นแล้วสติจะเกิดเองการบรรลุกายค่ะหลวงพ่อเพิ่งจะมาใหม่มาใหม่เคยฟังไหม ไปฟังค่ะฟังก็ใช้ได้แล้วล่ะรู้สึกไหมจิตเราไม่เหมือนเดิมแล้วจิตเราสว่างกว่าเมื่อก่อนรู้สึกไหมมันโปรง่งมันโล่งมันเบาขึ้นมาแล้วนะงั้นเรามีสติตามดูของเราไปเรื่อยคอยรู้สึกกายรู้สึกใจไปเรื่รอยแล้วอยากจะทราบว่าตอนขณะที่เรากำลังนั่งสมาธิอยู่เนี่ยทําไมเราถึงได้กลิ่นกระสอบปานคะกลิ่นเลยรนะกระสอบปานข้าวอค่ะได้กลิ่นอะไรก็ช่างมันเห็นอะไรก็ช่างมัน แต่พอเห็นแล้วจิตเราเป็นยังไงให้รู้ทันจิตเช่นเราได้กลิ่นกระสอบป่านรู้ทันว่าใจสงสัยขึ้นมาเยรู้ทันที่ใจเราอย่าไปยุ่งกับนิมิตนิมิตมีทุกรูปแบบเลยนะนิมิตเป็นภาพที่มองเห็นก็มีเป็นเสียงที่ได้ยินก็มีเป็นกลิ่นก็มีเป็นรสก็มีนิมิตเป็นสัมผัสทางกายยังมีเลยนะอย่างเรานั่งสมาธิเมื่อยๆนะเหมือนมีคนนวดให้เลยนะเห็นเนื้อบุ๋มลงไปเลยเป็นรอยกดเลยนิมิตอย่างนี้ดีสบาย แต่เมื่อนิมิตเกิดแล้วอย่าไปยุ่งกับมันให้รู้ทันที่จิตพอการบ้างได้ค่ะฝึกสติเรื่อยๆนะเอย่านั่งให้เคลิ้มๆไปเพราะฉะนั้นเวลานั่งแล้วรู้เห็นอะไรขึ้นมาให้ย้อนมาดูจิตของเราเองจิตสงสัยให้รู้จิตกลัวให้รู้จิตดีใจให้รู้รู้ลงมาที่จิตอย่าประคองให้นิ่งประคองไปใช่ไหมคะประคองไปต่อไป กลับ น, นมสัสการหลวงพ่อเจ้าคะ่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวหลวงพ่อแกล้งเด็กก่อนเด็กสิบขวบมาเมืเ่อกี้ใจลอยรู้ไหมออ่ะว่าไป <_ EN> คือมาครั้งแรกเมื่อครั้งที่แล้วคะ่ะแล้วก็เริ่มฟังซีดีแล้วก็เริ่มดูจิตแต่เกิดสงสัยตรงที่ว่าบางครั้งเราเจอว่าเราโกรธแต่ว่าความโกรธไม่หายไปเลยทั้งวัน <_ EN> เราไม่ได้รู้เพื่อให้ความโกรธหายไปนะสังเกตไหมความโกรธเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้า ความโกรธไม่ใช่ตัวเรารู้สึกไหมหัดดูเพื่อให้เห็นสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่หัดดูให้มันหายสิ่งทั้งหลายจะมีอยู่หรือจะดับไปเนะีเพราะมันมีเหตุถ้ามันมีเหตุมันก็ยังเกิดอยู่ถ้าไม่มีเหตุมันก็ดับของมันเองเราไปบังคับมันไม่ได้แล้วเราก็ไม่ได้ฝึกที่จะดับมันงั้นเวลาความโกรธเกิดขึ้นให้ดูลงไปเลยเห็นจิตมันโกรธไม่ใช่เราโกรธนะความโกรธเป็นสิ่งที่แปลปลอมเข้ามาให้จิตรู้ชั่วครั้งชั่วคราวเท่านัา้นเองดูอย่างนี้แหละ หายไม่หายก็ช่างมันดูไปเลยมันไม่ใช่ตัวเราหรอกแล้วบางครั้งเหมือนพอดูแล้วไม่ทราบว่าสภาวะจิตเดี๋ยวหลวงพ่อฟังไม่ค่อยออก อ, อ๋อไงนะดังๆหน่อยเออบางครั้งพอพอดูลงไปอ่ะค่ะแล้วไม่ทราบว่าจิตกําลังรู้สึกว่าเป็นยังไงอะค่ะตรงนั้นไม่รู้เพราะอะไรเพราะว่ามันเกิดความจงใจที่จะดูจิตเราถลําลงไปดูงั้นเวลาที่เราไปดูอะไรนะจิตเราไหลไปเรียบร้อยแล้วอย่างสมมติหลวงพ่อจะดูขวดน้ําขวดน้ําอันนี้ขลังแล้วนะ ว่าเราจะดูขวดน้ําเนี่ยพอพอเราดูปุ๊บจิตเราจะวิ่งไปอยู่ที่ขวดคนทั่วๆไปจะดูแต่ขวดนักปฏิบัตินะจะรู้ว่าจิตส่งออกนอกไปอยู่ที่ขวดแล้วงั้นเวลาเรานั่งสมาธิเหมือนกันบางทีมันเห็นสภาวะอยู่ข้างในมีสภาวะข้างในนะจิตมันไหลลงไปดูให้รู้ว่าจิตมันไหลไปดูเนี่ยเรียกว่ารู้ทันจิตตัวเองการที่จิตไหลไปดูจิตไหลไปฟังจิตไหลไปคิดจิตไหลไปเพ่งลบงู่ดูเรียกว่าจิตส่งออกนอกทั้งสิ้นเลย ขอคำแนะนําปฏิบัติต่อด้วยค่ะให้รู้ทันจิต ท, ที่ส่งออกนอกอย่างตอนนี้จิตส่งไปคิดทราบไหมให้รู้ทันนะรู้ไปด้วยความเป็นกลางเนี่ยไปคิดอีกแล้วทราบไหมยังกดอยู่นะกดอยู่อย่าไปกดถ้ากดแล้วจะไม่เป็นพระโสดาในขณะนี้ต่อไปกรับนะมันสกาาาัดหลวงพ่อครับ เ, เมื่อสองปีที่แล้วเคยไปส่งกันบ้านแล้วตอนนั้นจิตปิดเพลงแล้วก็ประคองเยอะนะครับ ตอนนี้เข้าใจว่าหลุดออกมาจากตรงนั้นแล้วแต่ไม่แน่ใจว่าถูกหรือเปล่าถูกนะถูกตอนนี้แค่กลัวหลวงพ่อแล้กดเอาไว้นิดหน่อยเนะีย่ยจิตหนีไปคิดทราบไหมเนี่ย เ, เริ่มกดแล้วเริ่มกดแล้ว <c oughs> เวลาที่เราจงใจที่จะดูสภาวะอยากจะดูสภาวะให้ชัดชัดตรงนี้แหละเราจะไปเพ่งกนะารเพ่งทั้งหลายนะบางทีเกิดจากจงใจที่จะดูก็จ้องเข้าไปเลยจิตก็นิ่ ง, งไปรู้สึกไหมตอน น, นี้นิ่งไปและ นะอย่าไปทําอย่างนี้นะปล่อยให้มันโซนโนไว้เอาตัวจริงออกมาตัวจริงซนกว่านี้นะอย่าไปบังคับให้จิตนิ่งนิ่งรู้สึกไหมบังคับไม่เลิกว่าไงคือคือรู้ตอนนี้ที่เห็นตัวเองคืออยากจะติดดีคืออยากให้จิตมันดีทองไม่ดีก็ <ไง S 2> ให้รู้ทัน<ห><ห>ความอยากนะความอยากเกิดขึ้นให้รู้ทันความอยากเป็นตัวสมูทัยเป็นตัวสร้างพบพบก็คือเป็นคนดี เรามีความอยากเกิดขึ้นนะเราก็ต้องทําแบบวางฟอร์มหน่อยทาดูเรียบร้อยอะไรเงี้ยเราจะทุกแบบคนดีให้เรามีสติรู้ทันความอยากดีความอยากดีนะกด็ไม่เอานะเดีย๋ยวว่าแต่อยากชั่วเลยอยากชั่วไม่ได้หรอกเพราะกระทั่งอยากดียังไม่เอาเลยความอยากใดๆเกิดขึ้นมีสติรู้ทันลงไปจิตหนีไปคิดซับไหมอย่า ก, กดนะยัง ก, กดอยู่ทําให้สบายกว่า น, นี้ยิ้มหวานหวานเป็นไหม เอาเอากลับไปเพ่งอีกแล้วเมื่อกี้คลายออกมาหน่อยหนึ่งนะออกมาอยู่กับโลกนะมาคุยมาอะไรบ้างแล้วก็คอยรู้ทันใจที่เปลี่ยนแปลงอย่าไปนั่งสมาธิมากมากนะตอนนี้อย่าเพิ่งนั่งแล้วจะปิดเพ่งออกพยายามอยู่กับโลกให้เยอะ คนต่อไปยากนะครับจะขอรบกวนขอก็มาทางที่ให้เป็นวิหารธรรมของคุณนะคุณทําใจที่สงบตั้งมั่นอย่างเงี้ยดีแล้วคุณคอยรู้ร่างกายที่เคลื่อนไหวไปเรื่อยๆนะเห็นไหมร่างกายพยักหน้าเลยเนียคุณจะดูกายได้ชัดกว่าดูจิตนะไปดูกายพอดูกายได้ก็จะเห็นจิตด้วยอบรคัเห็นไหมร่างกายไหวร่างกายที่ยกมือร่างกายที่อะไรเนี่ยมันเคลื่อนไหวเหมือนวุญญยนต์ตัวหนึ่งไม่ใช่ตัวเราอะ อย่ากแกล้งทาอย่ากแกล้งอะไรนั่นจงใจมากไปะสร้า <c oughs> งแบบไม่ทันระวังตัวเผลอเผอแล้วกระดุ ก, กดิกขึ้นมาเงี้ยแล้วก็รู้สึกเลยเมื่อกี้นี่ตัวที่กระดุกระดิกนะมันทำงานของมันเองไม่ใช่ตัวเราหรอกแต่ถ้าเราจงใจกระดิกไปไปม า, มาจะกลายเป็นการเพ่งเอามีอีกไหมหมดยังมาสกัดหลวงพ่อว่าไงเพิ่งมาครั้งแรกนะคะ เ, เวลานั่งสมาธิที่บ้านนะคะ จะรู้สึกว่าจิตไม่สงบแล้วก็เวลาหลับตาก็หัวจะเริ่มหนักจิตก็ไปเรื่อยเลยค่ะก็อย่าหลับตาสิหลับตาแล้วหัวหนักเหรอค่ะอย่าไปหลับมันลืมตาแล้วจิตก็จะฟุ้งซ่านจิตฟุ้งซ่านให้รู้ว่าฟุ้งซ่านกรรมฐานมีสองอันนะสมถกรรมฐานกับวิปัสสนากรรมฐานสมถกรรมฐานเนี่ยมีมาก่อนพระพุทธเจ้าทําแล้วจะทําให้เรามีความสุขความสงบความดี ทำเก่งๆนะตายแล้วไปเป็นพระพรหมมิปสนากรรมฐานเนี่ยจะทําให้เราเห็นความจริงของกายของใจจนหมดความยึดถือเป็นพระอระหันต์ตายแล้วนิพพานนะความจริงนิพพานตั้งแต่ยังไม่ตายเลยนะเราะั้นเราต้องฝึกเช่นจิตฟุ้งซ่านขึ้นมาเนี่ยรู้ทันความฟุ้งซ่านเลยนี่ยจิตมันทํางานเองจิตมันฟุ้งซ่านเองดูไปอย่างนี้เลยไม่สงบก็ได้จิตฟุ้งซ่านให้รู้ว่าฟุ้งซ่านนะในสติปัฏฐานท่านสอนนะบอก ภิกษุทั้งหลายเมื่อจิตฟุ้งซ่านให้รู้ว่าฟุ้งซ่านอยู่รู้เฉยๆอย่าไปอยากสงบสิอยากสงบนั้นก็คืออยากทำสมถะมักน้อยเกินไปควรจะทำวิปัสนานะจิตฟุ้งซ่านให้รู้ว่าฟุ้งซ่านอยากพูดเห็นไหม อ, อ้าวแล้วไงอีกอะจะจะขอคำแนะนำจากพระอาจารย์นะคะพอดีลูกสมัครไปจะไปเป็นแบบรทำที่ ผาซ่อนแก้วอะค่ะก็อยากจะขอคำแนะนํำว่าจะทำยังไงไปไปที่ไหนไม่สําคัญนะไปที่ไหนก็ต้องมีสติเราไม่ได้ฝึกปฏิบัติธรรมที่สวนสันติธรรมที่ผาซ่อนแก้วหรือที่ไหนทั้งสิ้นเราฝึกอยู่ที่กายที่ใจนี่กายเราอยู่ที่ไหนใจเราอยู่ที่ไหนเราฝึกที่นั่นคือมีสติตามดูไปเรื่อยสถานที่เป็นแค่สิ่งแวดล้อมเท่านั้นเอง บางสถานที่ก็เอื้ออำเนยบางสถานที่วุ่นวายมากทำให้เราดูกายดูใจไม่ได้ก็แค่นั้นเองงั้นการปฏิบัติเนี่ยให้รู้สึกกายให้รู้สึกใจไปเรื่อยๆสถานที่ก็แค่สิ่งแวดล้อมภายนอกไม่สำคัญเท่าไหร่หรอกงั้นไม่ได้ไปปฏิบัติทำที่ผาซ่อนแก้วนะเข้าใจผิดแล้วปฏิบัติอยู่ที่กายที่ใจของเราเนี่ยรู้สึกง่ายปฏิบัติอยู่ที่กายที่ใจนะในห้องน้าก็ทาได้ใช่ไหมอยู่ที่ไหนก็ทาได้ มีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเขาเล่าให้แม่ชีฟังเขาก็หัดดูๆอย่างเงี้ยวันหนึ่งไปขึ้นเรือบินที่เวียดนามเรือบินของคุณภาพมาตรฐานแบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะระบบความดันไม่ดีขึ้นไปแล้วปวดหูการบินไทยบางลำก็เป็นนะขึ้นไปแล้วปวดหูแกปวดแกกังวลว่าเดี๋ยวแก้วหูทะลุกังวลใจถ้เห็นใจกังวล น, นะจิตมันรวมลงไป พอจิตมันรมลงไปแล้วแกก็เห็นว่าจิตเนี้มีเปลือกหุ้มอยู่มีอย่างเหนียวเหนียวหุ้มอยู่นะพอจิตมันรู้ว่ามันถูกห่อหุ้มอยู่แล้มันไม่ชอบเลยมันพยายามจะดิ้นมันดิ้นมาทางนี้นะมันก็ยืดตามมานะไม่หลุดดิ้นทางนี้มันก็ยืดตามมานะพอครั้งที่สามมันจะขึ้นทางนี้มาขยับปุ๊บนะจิตมันหลุดออกมาสก่อนนะแต่แกก็ฉลาดอย่างหนึ่งแกรู้ว่าแกไม่ได้บรรลุมรุญผลแกรู้ว่าไม่พอยังทําไม่พอ ไม่พอตรงไหนผิดตรงไหนรู้ไหมอืมโอ้ตอบแบบกำปั้นทุพพสุธากำลังไม่พอถูกถูกกำลังไม่พอคือจิตไม่เป็นกลางจิตไปเห็นจิตที่ถูกห่อหุ้มอยู่แล้วไม่ชอบไม่เห็นว่าไม่ชอบหมวแต่หาทางดิ้นอยู่แต่แกได้ความรู้อย่างหนึ่งว่าหัดดูจิตไปเรื่อยๆนะถึงเวลาเนี้ยมันรวมเข้าอัปปนาสมาธิได้เอง รวมได้เองนะแต่ถ้ากําลังพอนะแล้วก็เป็นกลางนะกำลังพอเป็นกลางไม่จะขาดออกไปนี่รู้ด้วยความไม่เป็นกลางจิตไม่ชอบแต่ทํำยังไงอะ่ะตอนนั้นจิตมันไม่ชอบอ่ะทําไม่ได้ทําไม่ได้เพราะเราต้องฝึกตั้งแต่ตอนที่จิตยังไม่รวมเข้าอัปปนานี่แหละต้องฝึกไปเรื่อยจิตไม่เป็นกลางให้รู้ว่าไม่เป็นกลางไปเรื่อยจนเข้าเป็นกลางเข้าเองนะ ถึงวันหนึ่งเับพอเลยเขารู้ทุกสิ่งด้วยจิต ท, ที่เป็นกลางรู้แล้วไม่ดิน้นรู้แล้วไม่ปรุงต่อนี่รู้เราดินด้นดิ้นถึงนี้ทีถึงนี้ทีทจิตของเราถูกห่อหุ้มด้วยอาสวะกิเลสทุกคนนะที่ไม่ใช่พระอราหันต์มีแต่พระอราหันต์เท่านั้นที่อาสวะกิเลสที่ห่อหุ้มย้อมจิตอยู่นี่ถูกทำลายไปนอกจากนั้นมีอยู่อย่าไปเกลียดมันอ่ะต่อไปมีอีกไหมกราบน้ำมันชะการแพทยเท้เาหลวงพ่อค่ะ มีความรู้สึกว่าจิตไม่ค่อยมีกําลังแล้วก็ไม่ค่อยตั้งมั่นแล้วก็ออกจะแนวฟุ้งซ่านแล้วก็ลอยๆอะค่ะอนุโมทนาที่รู้ทันนะอยากให้ดีกว่านั้นไหมให้รู้ว่าอยากอีกตัวหนึ่งนะและถัดจากนี้จะต้องขยันดูไม่ว่าสภาวะอะไรเกิดขึ้นคอยรู้บ่อยๆเขางคุณรู้น้อยไปท้าไหลเยอะไปนิดนึงให้คอยรู้บ่อยๆเห็นจิตมันทํางานเห็นมันอยากโน้อนอยากนี้ไปมันทํางานอย่างโน้อนอย่างนี้ไปคอยดูเล่นๆไปเรื่อยนะ ดูไปดูให้มากๆากดูดูบ่อยๆหลับ น, นมัสการหลวงพ่อค่ะ อ, อระหว่างปฏิบัติระหว่างวันนี่ก็จะรู้เผลอตลอดนะคะทั้งวันเวลารู้ตัวขึ้นมาก็รู้พร้อมว่าเราเผลอแล้วเลยค่ะแต่ทีนี้ที่รู้ไม่ชัดคือรู้ในเรื่องของอารมณ์มาค่ะเผลอก็เป็นอารมณ์มันหนึ่งนะถ้ารู้อันไหนชัดก็อาอันนั้นแหละอันไหนรู้ไม่ชัดก็รู้ว่าไม่ชัดไม่ต้องชัดทุกอัน กรรมฐานเนี่ยไม่ต้องทำมากยังทากรรมฐานคู่ใดคู่หนึ่งก็พอแล้วนะเช่นจิตฟุ้งซ่านกับจิตไม่ฟุ้งซ่านคู่เดียวก็ได้นะจิตเผลอไปกับจิตรู้สึกตัวคู่เดียวก็ได้นะรู้บ่อยๆก็พอแล้วไม่ใช่ว่าต้องรู้ทุกสิ่งทุกอย่างหรอกไม่จาเป็นจะขอเครื่องอยู่อะคะ่ะระหว่ า, างก็ก็ถ้าเห็นจิตฟุ้งซ่านจิตแอบไปคิดได้นะก็ดีที่สุดแล้วล่ะ ถ้ารู้ว่าจิตไปคิดนีจิตก็จะตื่นขึ้นมาตั้งมั่นขึ้นมาชั่วขณะหนึ่งเดี๋ยวก็ไหลไปคิดใหม่รู้อีกนะเดี๋ยวก็พอรู้แล้วก็เดี๋ยวก็ไหลไปคิดอีกเป็นอย่างนี้ตลอดเวลาถึงจุดหนึ่งปัญญามันเกิดมันจะเห็นเลยจิตที่หลงไปคิดนัเราห้ามมันไม่ได้จิตที่รู้สึกตัวเราสั่งให้เกิดไม่ได้เกิดแล้วเรารักษาไม่ได้นะเพะฉะนั้นจิตที่หลงไปซึ่งเป็นอกุศลและจิตเนี่ยเราก็บังคับไม่ได้เกิดแล้วก็ดับบังคับไม่ได้จิตที่รู้สึกตัวนะเกิดแล้วก็ดับบบััังคไไมม่ด้เหือนนก นี่จะเห็นทั้งสองข้างเสมอกันทั้งกุศลและอ ก, กุศลนะล้วนแต่เกิดแล้วดับบังคับไม่ได้จิตจะเป็นกลางต่อกุศลและอกุศลงั้นเราภาวนาเนี่ยแค่คุณเห็นจิตเผลอแล้วก็รู้สึกเผลอแล้วรู้สึกเนี่ยถึงวันหนึ่งจิตของคุณจะเข้าไปสู่ความเป็นกลางเมื่อจิตเป็นกลางจิตจะเลิกดิ้นรนเลิกปรุงแต่งนะรู้แล้วก็จบลงที่รู้รูแล้วไม่ปรุงอะไรต่อนั่นแหละเป็นประตูของอริยมรรคแล้วที่ปฏิบัติสมาธิทุกวัน ไม่่าวจิตขนาดนี้เป็นยังไงบอกหลวงพ่อก่อนตอนนี้ขณะนี้รู้ตัวเต็มที่ไหมหรือว่าเป็นยังไงไม่เต็มค่ะมีเผลอแอบเผลอบ้างค่ะแล้วก็คุกคิกคุกคิกอยู่ข้างในเออแล้วเห็นไหมว่ามีการกดอยู่ค่ะตั้งแต่หลวงพ่อมาก็นั่งกดรู้สึก่ะคะตัวตัวที่ขวางมรรคผลนิพพานไว้ไม่ใช่ตัวที่ไหลคุกคิกตัวที่ไหลคุกคิกนั้นมันไหลอยู่โดยธรรมชาติธรรมดาอยู่แล้วเรามีสติตามดูไปนะวันหนึ่งเราจะได้มรรคผล แต่ตัวที่กวางมากคนอยู่คือตัวที่ไปกดมันไว้เพราะฉั้นเราไม่กดนะเราปล่อยให้กายให้ใจทํางานแล้วเราตามดูเล่ น, ลนๆตามดูสบายไม่กดนะคแล้วนั่งสมาธิยังต้องนั่ง<ว>ให้ใหลวงพ่<ห>ดูซิเนี่ยเริ่มรู้สึกไหยน้อมใจให้นิ่งถอยขึ้นมาถอยขึ้นมาอย่าน้อมใจลงไปตรงนั้นลืมตาซิลืมตาก่อนเห็นไหมจิตตรงนี้กับจิตตะกี้ไม่เหมือนกัน จิตตะกี้ที่ทําตะกี้นี่นะเป็นโมหะสมาธินะทําแล้วโมหะจะมากขึ้นเราั้นเวลาเราทําสมาธิต้องทําด้วยความมีสติรู้เนื้อรู้ตัวไม่ใช่นําทําด้วยการน้อมใจให้ซึมลงไปยามรู้สึกตัวพวกเราไปชอบแทนที่คําว่าซึมด้วยคําว่าสงบเราคิดว่าซึมแปลว่าสงบซึมไม่ใช่สงบนะซึมเป็นอกุศลนะเฉะนั้นอย่าให้ใจซึมใจต้องคลั่งแคล่วปราดเปรียวว่องไวเนี่ยถึงจะเป็นใจที่เป็นกุศลใจที่ซึมซึมเป็นอกุศล นั่งอีกทีซิเอาละเอาละเริ่มรู้สึกไหมส่งจิตไปดูส่งจิตไปดูให้รู้ทันว่าส่งจิตไปดูนะดูอย่างนี้นะแล้วเวลานั่งจิตมันเคลื่อนไปก็รู้อย่าน้อมใจให้ซึมต่อไปกราบนบะสการหลวงพ่อครับผมปฏิบัติบางครั้งก็ภาวนาโผบ้างบางครั้งก็ขยับนิ้วบ้างแล้ว Use, ยังไม่รู้ว่าต้องใช้อะไรเป็นวิหารอะไรก็ได้นะเราฝึกให้มีสติเท่านั้นแหละฝึกแล้วสติเกิดบ่อยก็เอาอันนั้นรู้จักใจลอยไหมครับนะถ้าใจลอยแล้วเรารู้ว่าใจลอยเรื่องเรามีสติขึ้นมาแล้วเราคอยรู้ทันไปจะขยับก็ได้ขยับเล่นๆเหมือนที่หลวงพ่อเทียบตะกี้ว่าเหมือนมีขวดน้ําเป็นตัวตั้งไหมท่านั้นใจเราเคลื่อนไปจากนี้เราก็รู้ทันงั้นอย่างเราขยับเนี่ยใจเราไหลไปอยู่ในมือเราก็รู้ทันนะ ใจเราหนีวิคิดเรื่องอื่นเราก็รู้ทันใจเราไปไหนเราก็คอยรู้ทันขยับไปแล้วก็รู้ทันใจของเราไปไม่ได้ขยับให้นิ่งนะส่วนใหญ่ไปเสร็จตรงให้นิ่งนี่แหละแล้วผมควรใช้อะไรเป็นวิทยาลัทธิ์ขนาดนี้โยมรู้สึกจิตเป็นยังไงบอกหลวงพ่อสิแบบนี้เห็นไ้ยว่ามันมันผิดธรรมชาติดูก อ, อกไห ม, มันตื่นเต้ น, นก็เลไปกดกดไว้ของโยมดูไปได้เลยดูจิตดูใจไปได้เลย ใจดูได้เลยครับอ่ะดแล้วเ <นะ S 1> ขามีอาการบางครั้งมันวูบมาที่หน้าอกนี้เป็นเรื่องของอะไรไม่เป็นไรดูเฉยเฉยดูเ่เฉยนะ ถ, ถ้าเรา<ด>เพ่งมากๆมันวูบลงไปอย่าไปเพ่งอรารู้สึกอราถ้าเรารู้สึกรู้สึกนะเวลาจิตรวมเนี่ยรวมแบบรู้เนื้อรู้ตัวไม่วูบหรอกแต่ลงแบบนิ่มๆเนลยแบบคดขับหรือบินเก่งๆนะลงนิ่มๆไม่ลงแล้วก็เด้งตึ้งขึ้นมาอย่างเงี้ยตอนนําไม่เป็นลงแล้วเด้ง การนมัสกา ร, ากรพระอาจรารย์นะเจ้าคะปีที่แล้วยมไปปฏิบัติที่สวนสติธรรมพระอาจารย์บอกให้แก้ไขว่ายังติดสมถะและจิตมักจะไหลลงไปแช่ในกายตอนนี้ยมอยากจะเรียนถามว่าดีขึ้นหรือยังดีขึ้น <พา S 2> ต้งเยอะเลยรู้สึกไหมล่ะใจเราโปร่งโล่งเบาใจเราปลาดเปรียวว่องไวเห็นไหมกิเลสอะไรเกิดเราก็เห็นนั่นแหละดีที่สุดลวแต่เราไม่ได้ฝึกให้ไม่มีกิเลสนะ เราฝึกกิเลสมาเราก็รู้กุศลมาเราก็รู้สุขทุกมาเราก็รู้ไปด้วยในสุดก็เห็นว่าทุกอย่างมาแล้วก็ไปหมดเลยยมฝึกได้ดีมากนะ<า>ดีแล้ว<า>ใจมันตื่นได้เต็มที่แล้วสบายรู้สึกไหมมีความสุขภาขวานาแล้วมีความสุขเนี่ยนี่ขนาดยังไม่เป็นพระอริยะนะสุขขนาดนี้เราคิดดูสินี่สาธุจ้าค่ะเรียนถามอีนิดนะเจ้าค่ะอันนี้คือปฏิบัติถูกตรงกับสิบลิทธ์แล้วใช่ไหมท่านถูกแล้วละ่นะะ<า>ที่ทําอยู่ตอนนี้ดีเลยละ่ะ ทำต่อไปนะสม่ำเสมอจะได้ผลอะไรไม่สนใจล้อย่าไปเอาผลได้ทำเหตนได้มีสติรู้กายรู้ใจตรงปัจจุบันทุกๆวันนี้ก็ดีที่สุดแล้วส่วนผลมันจะเป็นยังไงเรื่องของมันมันพอเมื่อไหร่มันก็ตัดของมันเอ ง, งการนมัสการขอพระคุณอย่างสูงน ะ, ะคส่งการบ้านหลวงพ่อค่ะเมื่อเมื่อสี่เดือนที่แล้วหลวงพ่อบอกว่าจิตไม่ตั้งมัน่นกระจายออก น, อ, นอกให้ไปรู้หลงกับไม่หลง เออหนูก็ไปฝึกมาแล้วหนูก็รู้หลงกับไม่หลงอย่างี่ขึ้นเวลาเราจะตื่นนอนเนี่ยจิตมันจะตื่นก่อนแล้วมันก็เข้าไปทํางานแล้วมันมีสติพอมีสติปุ๊บกายมันก็จะตื่นขึ้นมาค่ะอืดีไปฝึกอีกนะฝึกไปเรื่อยๆแล้วหลวงพ่อขอคําแนะนําหลวงพ่อว่าจะทําว่าฝึกต่อฝึกต่อไปบบอย่างนี้แหละะฝึกไปเรื่อยๆแล้วสังเกตนะขนาดนี้ใจมันออกมาข้างนอกรู้สึกไหมมันวิ่งมาหาหลวงพ่อ ขอบคุณฝึกไปนะใช้ได้ล้วค่ะแล้วเวลาเราที่จิตมันหลงไปพอเรารู้สึกขึ้นมาเราเลยเห็นจิตมันวาบลงไปตรงเเอไไม่ป็นรก็ดูไปนะเห็นไหมจิตมันเกิดแล้วมันก็ดับไปเกิดแล้วก็ดับไปเห็นไหมจิตดวงนี้กับจิตดวงนี้คนละดวงกันดวงนี้เกิดขึ้นมาแล้วก็ดับหายไปนะมีอันใหม่เกิดขึ้นมาแล้วก็หายไปเจ้าค่ะนี่เรียกว่าสันตติมันขาดแล้วมีปัสนาแท้ๆมันเริ่มตรงที่สันติมันขาดหรือคณะ ขอละคังนอนหนูคณะกลุ่มของกลุ่มก้อนของความเป็นตัวเรานี่มันแตกออกไปดีฝึกไปขอบคุณค่ะหนูพ่อค่ะยกไมแบบ้แบบนี้แบบร้องคาราโอเกะค่ะหนูเคยเหลวงพ่อเคยแนะนำให้หนูดูกายไปด้วยค่ะแล้วคราวนี้หนูก็ดูแล้วแต่ว่าหนูรู้สึกว่ามัน หนูว่าหนูดูถูกนะแต่ว่ามันจิตมันรู้สึกแข็งแข็งก้อนๆเลยคิดว่ามันต้องผิดอะไรแน่ใช่ยังจงใจไงจงใจดูถ้าเราจงใจดูมันจะเป็นก้อนขึ้นมาแข็งแข็งแต่ถ้าเรารู้ขึ้นมาโดยที่ไม่ได้จงใจมันจะโล่งๆไม่แข็งแล้วบางครั้งหนูก็รู้สึกว่าเ อ, อ่อมันต้องมีอะไรผิดอะไรอย่างให้ขอความเมตตาหลวงพ่อช่วยก็ให้รู้ลงปัจจุบันไปรู้ว่าสงสัยว่าจะมีอะไรผิดสักอย่างรู้ว่ากําลังสงสัยอยู่ นะรู้อารมณ์ที่กำลังปรากฏเป็นปัจจุบันนะไม่พลาดหรอกให้หลวงพ่อนำหนูดูอย่างตอนเนี้ยใจลอยไปแล้วรู้สึกไหมงงรู้สึกไหมงงค่ะเอองงก็รู้ว่างงสิงงก็เลยยังมารอฟังต่ออีกให้รู้ทันใจเราให้คอยรู้ทันใจของเราอย่างตอนเนี้ยจิตมันวิ่งมาอยู่ที่หลวงพ่อรู้สึกไหมค่ะเนี่ยให้รู้ทันจิตของคุณรู้กายให้เยอะไว้นะคุณทําสมาธิมาก่อนเยอะเพราะฉะนั้นรู้กายจะรู้ง่าย ค่ะรู้กายรู้แต่ว่ารู้สึกรู้กายแล้วมันรู้เรื่อยเรื่อยอ่ะเริ่มรู้สึกนั่นแหละดีแล้วล่ะรู้ไปเรื่อยเห็นไหมกายเป็นของถูกรู้ถูกดูใช่ค่ะนั่นแหละดูอย่างนี้ดูไปเรื่อยไม่จําเป็นต้องดิ้นรนมาดูจิตหรอกอ๋อใช่ใชแต่ละคนมันทําไม่เหมือนกันขอบคุณมากค่ะฝึกได้ดีนะเอาหมดแล้วเหรอแม่ดีใจดีใจหนอดีใจแล้วรู้ว่าดีใจหลวพ่อก็พูดไปก็และใจเฉยเฉย อ๋อมีบอกให้สรุปอีกสรุปนะสรุป <strawberry> <baixo> ครูบาอาจารย์แต่ละองค์นะท่านสรุปคําสอนของท่านกระทัดรัตแต่ละองค์อย่างหลวงปู่ดูลนะท่านสรุปมานิดเดียวบอกให้ดูจิตอาจารย์มหาบัวเคยสอนหลวงพ่อนะท่านบอกให้มีสติรู้กายรู้จิตลงปัจจุบันหลวงปู่ทาท่านบอกให้มีสติรักษาจิตไว้นะ ยังไม่มีแต่เรื่องกายกับจิตทางนั้นเลยให้เรามีสตินี่แหละนะคอยรู้สติเป็นคอยรู้สึกไว้รู้สึกนะคอยรู้สึกรู้ทันร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวรู้สึกฝึกไปอย่างนี้แหละะตอนเมื่อก่อนหลวงพ่อสอนแล้วคนไม่ค่อยเชื่อนะรู้สึกอะไรง่ายอย่างนั้นมันจะได้ผลเหรอที่เคยทํามายากกว่านี้ตั้งเยอะยังไม่ได้ผลเลยปรากฏว่ามันง่ายนิดเดียวนะตอนนี้หลวงพ่อพูดได้ห้าวหาญเลยพูดเต็มปากเต็มคําเพราะพยานเราเยอะ คนที่เรียนกับหลวงพ่อแล้วตื่นขึ้นมาเนี่ยนับจำนวนไม่ท้วนละอย่างในห้องนี้สว่างไปพราวพลาวไปหมดเลยนะสวยงามยิ่งกว่าท้องฟ้าจําลองอีกนะะใจที่มันตื่นใจที่มันเบิกบานมันสว่างสว่างดังตรีนเขาบอกว่าเนี่ยลูกศิษย์หลวงพ่อนะสว่างเขาสังเกตดูแต่หลวงพ่อมาสอนที่นี่ใหม่ๆนะมืดตืดตื่อเลยะมืดเพราะว่าอะไรเพราะใจไม่มีสติพวกเราก็อดทนนะเรียนกันมาสองปีกว่าละ จนใจเราสว่างสวัยแพรวพราวไปหมดพวกเราที่เกิดความเปลี่ยนแปลงในตัวเองเรารู้ด้วยตัวเราเองรู้สึกไหมเราเห็นความเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเราเองนะนั้นเราภาคเปลี่ยนไปนะคอยรู้คอยดูดูเล่นๆอย่าโลภมากอย่าอยากได้ผลเร็วๆรู้สึกไปได้รู้ไปจนถึงเมื่อไหร่มันก็เมื่อ น, นั้นแหละนะอย่ารีบร้อนใจเย็นๆไว้ถ้าอยากได้เร็วนะจะไม่ได้ผลถ้าไม่ต้องทําด้วยความอยากแต่รู้สึกกายรู้สึกใจเรื่อยไปจะได้ผลอย่างรวดเร็วนะ ถ้าอยากให้มีผลอยากจะเป็นโสดาสกถาคาอนาคาเป็นพระอราหันต์จะไม่ได้แต่ตามสถิตินะพวกผู้ชายเนี่ยชอบคิดว่าตัวเองเป็นโสดาบันมีมากกว่าผู้หญิงเนี่ยพาะอีโก้จัดส่วนผู้หญิงเนี่ยชอบคิดว่าตัวเองเป็นพระอราหันต์เนี่ยมีมากกว่าผู้ชายไม่รู้เพราะอะไร งั้นเราอย่าไปเชื่ออะไรง่ายๆนะภาวนาบางทีวูบวบบาบๆาเลยคิดว่าบรรลุไม่บรรลุหรอกตราบใดที่กิเลสยังไม่ได้ถูกล้างไปอย่าไปเชื่อนะสังเกตที่ใจเรากิเลสเรามีเท่าไหร่เราก็รู้นี่เราดูของเราออกนะสังเกตของเราเรื่อยๆไปอสรุปพอสมควรแล้วถือโอกาส น, นี้เป็นตัวแทนทุกท่านในที่นี้นะครับร่วมกันถวายทานที่มีผู้นํามาถวายครับ ข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายเครื่องปัจจัยเทยธรรมและสิ่งของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้แต่พระอาจารย์ประโมทปราโมชโชขอพระอาจารย์ได้โปรดรับเพื่อประโยชน์สุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายและครอบครัวปราบสิ้นการลนานเธอยะถาวาริวหาปุราปริปูเรนตีสาครังเอวเมวะอิโตทินนางเปตานังอุปการปติ